รูปแบบการปฏิบัติการจรลสติแนวเคลื่อนไหวก็เป็นการฝึกหัดจิตให้จิตก็ได้มีโอกาสกลับมาสังเกตกายใจอาการของกายของใจเราสังเกตแต่เวลาสติการลึกรู้เป็นยังไงเวลามันนึกมันคิดมันปรุงเป็นอย่างไรอาการของความรู้สึกตัวทัวพร้อมเติมปรากฏเป็นอย่างไร อาการของสติที่มันรู้จนเป็นกําลังของสมาธิมันเป็นยังไงตั้งมันม่นเอือรู้อยู่วความรู้สึกตัวเวลาเผลอหลงไปเป็นอย่างไรเวลามันรู้มันเป็นอย่างไรตอนแ้นมันจะเกิดประสบการณ์แล้วเกิดการแยกแยะเกิดความเป็นเอง สภาพธรรมต่างๆก็จะปรากฏเมื่อก่อนเราเคยทุกอาการของกายของจิตสภพาพของผู้ดูมันก็ดูแล้วไม่ติดไม่ยึดมันจะมีขึ้นมาแต่ว่าใหม่ๆมก็จะต้องผ่านอารมณ์ต่างๆเต็มแสดงออกมาให้เราได้เพอได้หลงได้เก่ง เกิดความเข้มแข็งอย่งความง่วงความเจ็บความปวดหรือว่าความคิดฟุงงซ่านต่างๆความเบื่อความเงาความเซ็งความขี้เกียจความขยันมันจะปรากฏออกมาขณนปฏิบัิถ้า รู้สึกคล่องตัวดีทำได้เรื่อยๆความเป็นปกติมันจะหล่อเลี้ยงธรรมดาๆเจีวยวเฉยๆเคลื่อนมือก็เฉยๆจะๆทำยัการที่เหมือนกับว่าเราอยากจะให้มันอยู่กับความรู้สึกตัวเพราะว่าไม่อยากคิดอันนี้มันจะเป็นผลของความอยากก็จะเกิดปฏิยาต่างๆมากมาย อยากสิ่งไหนมันก็จัดให้สิ่งนั้นเลยอยากที่จะรู้สึกตัวไม่อยากคิดเมันก็จัดให้เลยมันไม่อยากคิดไงสงบเลยรู้สึกตัวเพ่งไปเพ่งมาเดี๋ยวนิ่งเลยสงบเงียบไปเลยความคิดได้เวลาปฏิบัติ น, นีนเวลามีความคิดอันนี้ถือว่าดีคิดปั๊บ รู้สึกตัวคิดรับรู้สึกตัวสติมันจะงามอยู่ตรงเนี้ยคิดมากเท่าไหร่กลับมาได้เท่านั้นคิดได้เท่าไหร่รู้เท่ารู้ทันมากเท่านั้นคิดเท่าไหร่ดูเห็นไม่เข้าไปเป็นมากเท่านั้นครับมันก็จะมีพลังขึ้นไปพลังของสติพลังของปัญญาเราก็จึงไม่ กำหนดในเรื่องของสภาวะธรรมต่างๆอะไรจะเกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมาแล้วก็ยอมรับทั้งหมดนั่นแหละยอมรับมันคือสภาวะธรรมเราจะต้องรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวการเคลื่อนการไหวนะทำให้มากเรามีเอียบทในการเปลี่ยนนั่งเดินเย็นนอนเราก็ใช้ให้คุ้ม เราเคยนั่งเคยเดินเคยยืยนเคยนอนมามากตอนนี้เราก็ใช้ในการระลึกรู้ระลึกแล้ว่ารู้ชอบทั้งเหมือนกัว่ามันทําได้บ่อยๆรู้เท่ารู้ทันบ่อยๆสังเกตนะอาจจะเพ่งไปบ้างอาจจะเผลอไปบ้างมันก็จะมีปฏิกิริยายให้เราได้สังเกตถ้าเพ่งมันก็หนักแล้จะรู้สึกเหมือนถูกบังคับจิตกนเหนื่อยเหนื่อยใจ ทำได้สักพักก็เออต้องยืดตัวต้องเปลี่ยนเนื้เยื่อบดถ้าถ้ามันได้อารมณ์ปกติรู้เฉใจมันจะทําได้เรื่อยๆกายมันจะรู้สึกวางวางวางกายมือก็วางวางวางหน้าวางตามันก็จะวางขึ้นวางความคิดวางความทุกข์มือจะทําเก่งไปเรื่อยๆมือจะรู้สภาวะที่ปรากฏจากหยาบอะละเอ่ยของมัน สติน้อยๆรูกของหยาบๆสติมากๆลูกของละเอียดยิ่งแยบคายยิ่งประณีตส่วนตัวส่วนตั ว, ว, น, ตวนี้ก็จะเห็นอะไรได้ชัดจิตนิ่งๆกระเพื่อมนิดเดียวก็ถูกรู้เท่ารู้ทันเวลาเดิยนยังกมเนก็มีกุศโลบายอย่างเช่นว่าให้เรามีความสุขขันนาอยู่บนศีสั เราใส่น้ำให้เต็มเวลาเดินเวลาทรงตัวทำานน้ำจะไม่กระชอหกรถสี่สารถตัวเองก็จแสดงมีความตั้งมั่นมีความแยกคายแต่ว่าถ้าทำไม่เป็นใหม่ๆอาจจะเก๊กเกรงอันนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์กันแล้วกันจะพออยู่นานๆเดินจงกรมเกอนมือนะหลายๆชั่วโมงหลายๆวัน มันจะปรับให้เราการวางหน้าวางตาวางคายวางใจสมัยก่อนก็จะมีจํานวนเก้าเดือนนะเก้าเก้าสเอเก้าสิบสามเก้าเวลาเราเดินเราเดินกับซ้ายทีหนึ่งขวาทีหนึ่งเวลากลับตัวเสร็จหมุนตัวเสร็จก็หยุดก่อนที่จะเดินเก้าแรกต่อไปเราปรับใหม่ที่เดินไปแล้วก็ทิ้งไปเล ย, ยแต่ปัจจุบันนนะีะ เริ่มใหม่เดินปับป๊บรู้ปุ๊บเดินปั๊บรู้ปุ๊บผลงคิดไปเราก็ทักทวงเหมืนกลับมารู้สึกตัวใหม่พอกลับตัวป๊บเดินคิดมาเพลินๆเจตนากลับตัวก็มีสติเกิดขึ้นเราก็เห็นความคิดมันก็จบลงมันก็ดับไปมันก็หายไปแล้วเราก็เริ่มใหม่ใหม่ๆเดินอาจจะรู้มากฝลง ไปเดินไปเดินไปมันอ e ิบอดมันทื่อๆมันก็อยากจะครึ่งรูครึ่งหลงห้าสิบห้าสิบพอทำต่อไปอีกมันก็กนเบลออะไรแบนี้สติก็ไม่ชัดเจนอันนี้ก็เปลี่ยนอ e ิบอปรับใหม่ปรับใหม่วางหน้าวางตาวางไม้วางมือปรับอ e ิบทใหม่มันก็จะชัดขึ้นมาอีกความรู้สึกตัวมันจะเด่นขึ้นมา จกพัก็จะเหมือนเดิมอีกครึ่งรู้ครึ่งหลงเบลอเบลแล้วก็เปลี่ยนอีกทำใหม่ๆเนีใ่ให้เปลี่ยนยบดบ่อยๆเป็นเทคนิคของการปฏิบัติไม่เดินจนเหมือนกับยาวนานแต่ถ้าทำไปหลายวันหลายเดือนหลายปีนานๆเวลามีความเจ็บความปวดนะสังเกตดูความไม่เจ็บไม่ปวดมันก็มีอยู่ในจิตในใจ มันง่วงเหงาหานอนแล้วก็ยังเคลื่อนต่อไปอินเสียมแก่กล้าเคยมาตะบะเกิดความอด ต, ตัวหนดกลั้นผ่านเลยความง่วงเนี่ยไม่ได้กลัวอะไรมากมกลัวใจที่เป็นคนจริงมันกลัวของจริงตัวง่วงนะถ้าทาเล่นๆมันก็ได้ของเล่นแะทําจริงๆตัวง่วงกลัวมันกลัวติดใจที่เข้มแข็ง ทุกอย่างนั่นแหละทุกๆอารมณ์มันกลัวจิตใจที่เข้มแข็งพอจิตใจเราเข้มแข็งขึ้นมามีความอดทนอดกลั้นบึ้นาเป็นสิ่งที่ช่วยเหลือหรือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมก็ว่าได้ทำให้เราวิบัตงิง่ายขึ้นง่ายขึ้นง่ายขึ้นอินทรีย์แก่กล้ามากขึ้นไม่มีสตัยมีสตัยลงไปแล้วสตัยก็ต้องมีปัญญาทวงดุลเอาไว้ด้วย ปัญญาก็ต้องมีศรัทธาด้วยต้องมีสมาธิต้องมีสมาธิคือความตั้งมั่นตั้งใจทำํำเขาต้องขยันด้วยขยันเคลื่อนแต่คนขยันเคลื่อนมากบางทีเป็นกรรมฐานไฮเปอร์เหมือนเด็กไฮเปอร์เด็กที่เป็นไฮเปอร์จะซุกซนมากเลยกรรมฐานไฮเปอร์จะซนไปหน่อย เปลนฐานบ่อยอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องมีสมาธิตั้งมั่นใสใจสังเกตเรามีสติแล้วครูการเคลื่อนการไหวความรู้สึกที่กายรู้สึกกายรู้สึกกายรู้สึกกายจนทามันมีพลังขึ้นมาจริงๆรงๆิมันก็เป็นพลังที่เราได้สับไปเรารู้ว่ามันมีแรงใจมันมีแรงมสักประมาณ สี่ห้าเดือนก่อนช่วงที่อยู่ในภรษาบรรยากาศไปที่ประเทศพูตานผู้ฐานที่นั่นเขานับถือศาสนาพุทธกันเก้าสิบเอร์เซนขึ้นไปประเทศธรรมประเทศก็ไม่มีเนื้อสัตว์เลยไปตลาดมองนี่ไม่มีเนื้อสัตว์ขายเลยมีแต่ผักพวกถัว่วพวกพริก แตงควาในลูกใหญ่กกินแทนผ ล, ลไม้ลูกขนาด น, นัาแข้งใหญ่มากปลอกออกอามาเนพอเราเคี้ยวกัแไปมันชุ่มหวานหวานคอบนันกาแม่ค่าจัดตัดชีวิตกันถ้าจะนำเข้าก็นำเข้าจากประเทศอินเดียพวกอิสลามพวกฮินดูทำ เนื้อสัตว์มาขายข้ามายแดนมาแล้วก็ภูฐานก็ถือว่าเป็นประเทศที่อาศัยอินเดียอินเดียปกป้องคุ้มครองอยู่กับจีนนี่ไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่แต่ว่าในภาพวาดของเขาเนี่ยมันก็มีพวกสัตว์มีช้างเดิน มีลิงขี่ช้างมีกระต่ายขี่ลิงมีนกขี่กระต่ายก็เป็นเมืองผู้แสนาน่แล้วก็สังเนี่ยเป็นเป็นสัตว์ที่ค่้ความเคารพมากก็ถือว่าเป็นปัญญาเลยนะสังครั้นี้ทําไมลิงต้องขี่ช้างอัตมากรเเป็นลักษณะของปุกาลาที่สถานทำมาที่สถาน โบราณที่ฐานก็คือลิงก็คือจิตนี่แหละซุกซนถ้าไม่มีช้างคือสตินําเนี่ยอันตรายสติมเป็นจัดที่ใหญ่นีช้างเหมือนสติสติเป็นสัตว์ถ้าเป็นสัตว์เนสัตว์ใหญ่เลยละอย่างหลวงพเขียนแลก็เปรียบเทียบกันสติน่ะมันช้างเนี่ยตรงนี้ลูกของท่านหมานี่เหมือนกินเลสห้าเห่าช้างช้างไม่สะดุ้งเลย เอาเลแะช้างเดินเฉยเลยอันนี้ลิงมันสุขสนพอมันได้ขี่ช้างปั๊บก็ไปไหนก็ปลอดภัยช้างพาไปลิงเหมือนจิตจิตมีสติอาศัยกะตายว่องไวเวลา่งียนิ่งีบก็เรียกมันสมาธิไงสมาธินี่สมาธิแบบไหว่งนะ ไหวนิ่งน้ำไหลนิ่งน้ำมันมไหลแต่มันนิ่งอน้ำใสนะถ้าน้ําที่มันอยู่กับที่มันก็น้ําเน่าอนะ่แต่ถ้าน้ําอันไหนไหลแล้วก็ไหลนิ่งเเป็นน้ําใสสะอาดตาน้ํามันไหลมาอยู่เรื่อยๆใช้บริโภคอริโภคก็ปลอดภัมันก็น้ําใจก่อแล้วมันจะไหลอยู่เรื่อยๆผู้เทใจรับแล้วก็ให้ต่อไปมันจะไหลอยู่เรื่อยๆ เรียกว่าอายะสัมภาเป็นบุญถ้าเราทําบุญก็ทําบุญไม่ว่าจะเป็นสัมภารแล้วก็ปุกลกบุคคลปุริลกทานมาได้มาแล้วก็ไหลต่อได้มาแล้วก็ไหลต่อถ้าคนทําอย่างนี้ปั๊บชีวิตมันก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วเราก็ดีต่อคนอื่นต่อไปมันก็จะใสสะอาดนะชีวิตจะมีแต่ของใหม่อยู่เสมอ มันมีการให้ต่อสืบทอดกันต่อไปเป็นมรดกตกทอดโดยอายะสมัติาจะเป็นคนที่ทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านแต่ถใครเข้ามาแล้วก็กเก็บเอาไวา้อันนี้ก็เรียกว่าเห็นแก่ตัวเราสังเกตได้ไงว่าระหว่างคนที่อยู่คนเดียวเห็นแก่ตัวกับคนที่อยู่คนเดียวและไม่ได้เห็นแก่ตัวให้ดูตรงที่ว่าอยู่คนเดียวแล้วก็ทุกข์ อยู่คนเดียวแล้วว้าวเว อ, อืดอัดอยู่คนเดียวแล้วก็เศร้าซึมเบื่อเซงในประเภทนีนคนเห็นแค่ตัวแต่คนที่เขาฝึกจิตเนี่ยเขาไม่ได้เห็นแค่ตัวประโยชน์ตนนะยิ่งอยู่คนเดียวยิ่งมีความสุขนะยี่ไม่ต้องมีอะไรหรอกอยู่กับตัวเองคนเดียวนะอยู่กับกายกับใจนะมันอยู่ได้แป๊บแป๊บหมดวันแป๊บแป๊บหมดวันไปเลยทํางานก็ทําคนเดียวก็นนะจะช่วยก็ได้ไม่ช่วยก็ได้ แต่ส่วนใหญ่คนอื่นมักจะมาช่วยมันเป็นอย่างนั้นเกลวคนดีเวลาตกทุกข์ได้ยากเทวดาก็ช่วยเทวดานี่ห่วงมากคนดีตกทุกข์ได้ยากไม่ช่วยรู้สึกผิดอย่างนางเมกะลามาประมหาชากานกเงี้นะทำไมช่วยรู้สึกผิดเลยทีนี้ลักษณะของ สัตว์อีกชนิดหนึ่งที่ขี้กระต่ายกระต่ายเป็นเหมือนกับสมาธิที่เป็นไหวนิ่งเวลาวิ่งวิ่งเลยวเวลาหยุดหยุดนิ่งเลยน่ารักกระต่ายเหมือน ก, นการของสมาธิเป็นอย่างนั้นตาเมตฉามันจะไปลักษณะไปแช่กบดานเป็นลักษณะของสมาธิขี้เกียจเป็นสมาธิหัวต่อบนนี้เป็นสมาธิที่ไม่ฉลาดตัวปัญญาคือตัวนก อิสระเสรีคนมีปัญญาเนะี่ยอิสระจะอยู่ที่ไหนมันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกปัญหาเมียก็มีที่อื่นมีกับคนอื่นมีว่าทุกอื่นไอตัวเราไม่ได้เป็นปัญหาเนี้ยปัญหาเมีไม่ได้ทุกอะไรเีพราะความทุกข์หรือไม่ทุกข์อยู่ที่ใจเราต่างหากถ้ามีสติมันก็ไม่ทุกข์ถ้าไม่มีสติมันก็ทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ปัญหาคิดดีขนาดไหนเนี่ย วางแผนดีขนาดไหนแก้ปัญหาปัญหาเก่าจบไปปัญหาใหม่มันจะลึกลงไปไม่มีทางแก้ได้หมดหรอกทุกวันนี้โลกผ่านมาวิทยาการจะดีขนาดไหนก็ปัญหาใหม่ที่มันซ้อนลึกลงไปซ้อนจนบางทีก็งงตัวเองกันต้องหยุดถอยมาดูมันเกิดอะไรกันแน่นอันเนี้เพราะนั้นวิธีแก้ปัญหาที่ดีสุดอยากทำตัวเองให้ทุกข์ก่อนระดับแรก ส่วนัหาไม่แก้ได้ไม่แก้ไม่ได้ไเป็นแล้วใจเราไม่ทุกข์ไวก่อนแเดี๋ยวมักจะปิงปัญญาหรือเปรียบเหมือนนกนะอิสระเสรีมองจากปรากฏขึ้นมาบางทีมันก็คิดตรงบางทีผู้ใหญ่ไปใจดีก็หยิบยื่นมือมาช่วยบางทีเวลาผ่านไปเองปัญหาก็หายไปกับเวลาอ่ะหันกลับไปดูอีกทีผมเรื่องเล็กนิดเดียว หรือบางทีมันก็ปริงแก้ปัญหาได้ถูกจุดแล้วก็งงตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะมันคิดได้ไงมันทําได้ไงปัญหาแก้นแล้วก็ถูกต้องซะด้วยเพราะฉะนั้นในความเป็นปกติเนี่ยตัวนี้มันเป็นจุดที่ทําให้เกิดปัญญาจิตที่กลางๆว่างๆว่างๆเป็นจิต ท, ที่ทําให้เกิดปัญญาเลยปัญญาภาวนา จิตใจเราไม่ทุกข์ส่วนจะใช้กายวาจาใจช่วยเหลือผู้ อ, อื่นใช้สมองใช้วิชาความรู้อันนั้นก็เมื่อมันถึงเวลาพอเหมาะ พ, พอควมันก็จะแสดงออกเองหรอกอย่างเช่นตอนเนี้ยไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นหมอลองมีสักคนถึงไายท้องเลยเดี๋ยวก็รู้ว่าใครคือหมอในนี้มันแสดงตัวเขามันเองหรอกเดี๋ยวพยาบาลก็แสดงตัว ไม่รู้หรอใครขับรถเป็นไม่เป็นอนะ่ะเรามีใครล้มทุกคนต้องไปโรงพยาบาลเดี๋ยวก็แสดงตัวเป็นการของปัญญาคนมีปัญญาก็เป็นอย่างนั้นในตัวเราก็เป็นอย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นข้อมูลทุกข้อมูลในการเรียนรู้เรียนรู้ไว้ใช่รู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบะขาม ร, รู้อะไรรู้ยิ่งแต่สิ่งเดียวฝึกให้เจ้วชาญเธอจะเกิดผลมันเกิดผลจริงจิงมันจะเกิดความชํานาญเฉพาะด้านเงินมา ในโลกนี้ความเป็นอาชีพภาพมันก็มีเยอะที่เราสมมติบัญยัด ข, ขึ้นมาเรื่องธ น, นิตศาสตร์ด้านหนึ่งเรื่องของภาษาบางคนก็พูดได้หลายภาษาเรื่องของศิลปะการขับร้องดนตรีต่างๆหรือว่ากีฬาอันนี้เราเติมใครจะรู้อะไรก็จ้างเถอะ องค์ตัวเองจำปาพุทธเจ้าตอนเป็นสมัยเจ้าชายสีเสถะเนี่ยเก่งมากทําอะไรก็ได้เกียรตินิยมหมดเลยทุกวิชาเก่งเป็นเลิศเก่งเป็นเลิศทา้ายสุดก็คือมาเรียนรู้วิชาประสาทหนาแล้วก็จบเป็นเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นสมณะเทวทูตสี่เพราะนั้นเวลาเราปฏิบัตนะิเราเห็นความเจ็บมันปรากฏที่ร่างกายของเราไหมเห็นไหม เห็นไหมเวลานั่งนานๆเจ็บไหมตลาดเทวทูตแหละเห็นเทวทูตเห็นการแก่เห็นการเจ็บเห็นการตายนะเป็นการเห็นอันประเสริฐเห็นอันประเสริฐเห็นเรื่องอื่นๆมันก็ดีอยู่มันมีดีดีมากดีที่สุดไอ้ดีที่สุดก็คือเห็นตัวเองนะเห็นมันคิดเห็นมันปรุงมันแต่งเห็นมันพูดน เราหยิบมาใช้เราหยิบมาใช้เพราะฉะนั้นกายวิริยะธรรมกคือมาเห็นกายวาจาใจของเรานะเห็นกำลังนั่งกำลังเดินกำลังยืนกําลังนอนเห็นเป็นปัจจุบันขณะต่อขณะเป็นการสัมผัสแล้วก็รู้สึกตัวบางทีเราก็ประมาทกันเทวทูตก็เตือนอยู่ทุกวินาทีเราก็ไม่เคยเห็นว่าเทวทูตก็เตือนเราอยู่นะ่ บางทีมีคําเตือนเราก็ไม่ฟังอยากดื่มวันละสองขวดเด็กและสติมีคันห้าดืม่มบางทีเราก็ไม่ฟังแล้วก็เดิมใช่ไหมก็เตือนกันว่าเออเนี่ยเวลาขึ้นมันอยู่ในทะเลน้ําแห้งชายหาดยาวให้รีบวิ่งขึ้นฝั่งให้ไวๆประเดี๋ยวมันจะเจอดีอย่างเงี้ย วันที่ที่หกธันวาคมสองพันห้าร้อยสี่บเจ็ดเป็นไงวันนั้นน้ำทะเลแห้งโอ้ไปเก็บหอยปลาการังกันดีกว่าวิวชายหาสวยวันนี้เดินลงไปเป็นกิโลนั่นน่ะเขาก็เตือนกันอยู่นะวันท่าน้ําแห้งเนะให้วิ่งขึ้นที่สูงให้เร็วที่สุดอันนี้ไม่รู้เรื่องกับเขาเลยคลื่นมาเท่ากับยอดมะพร้าวสึนามิวิ่งหนีกันทันไมล่ะทินเะน่ บางคนก็หลงลืมไปไท้ายสกสังเวชชีวิตมากมายเหลือเกินแต่เผาโมแกนกับสุนักนะสัญชาตยานดีเหลือเกินจำแม่นสังเกตได้ถอดรหัสเป็นท้ายสุก็ปลอดภัยหลายคนหลายก็กลัวมันมีคำเตือนอยู่ก่อนที่จะเจาะเลือดพวงนี้ปัจบาลหมอก็เตือนอย่าดื่มน้ำนะอย่ากินของสแสลงนะ เวลาเจ็บไข้ไม่สบายก็เตือนเราเชื่อกันไหมล่ะทีเนี้ยองสมเด็จสัมมาเจ้ากระเตือนเหมือนกันนะเมื่อกี้เนะี้ยที่เราสวดกันอันตนัถาในภิกกเวอามัตยามิโวดูก่อนภิกษุทั้งหลายวันเนี้ยเราขอเตือนท่ า, า, า, มม า, า, า, านทั้งหลายว่าวิยะธรรมมาสังขาราสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอภมาเทนะสัมปาเทถะท่านทั้งหลายจงทําความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดเตือนนะั่นแหะ คือคนเราคิดดูคนใกล้ตายเวลาพูดอะไรมันน่าเชื่อไหมประโยคนี้เนี่ยพูดก่อนที่ยาดับขันปรินิพานในวันเพ็ญเดือนหกขึ้นสิบห้าคำก่อนที่อาขาดใจตายได้สั่งเอาไว้เป็นปัจจิโมโอวานครั้งสุดท้ายสอนมาสี่สห้าปีสรุปได้ประโยคเดียวจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดก็คือสติปัฏฐานนั่นเอง การมีสติรู้เนื้อรู้ตัวทําให้เกิดความไม่ประมาททำไมเราอยู่กับปัจจุบันแล้วก็รู้รอบรู้รอบสภาพธรรมต่า ง, างๆกํลาลังปลากรดเรารู้ตามกําลังของสติของปัญญาโดวยว่าเราขยามฝึกหัดเจ็นาเคลื่อนไหวรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันเป็นธรรมที่ทำให้เกิดความไม่ประมาทแล้วก็เตือนตัวเองสั่งตัวเองให้เคลื่อนไหวอยู่ตลอดมันเกิดธรรมที่ทําให้เกิดความไม่ประมาทขึ้นมา คือความรู้สึกตัวคือการมีสติสัมปญะสติคือรู้สัมปญะคือรู้ตัวทั่วพร้อมเราก็รู้ตัวเพราะใหม่ๆอาจะรู้เพ่งๆหน่อยเก๊กเก็งเก้เข๋นินในการเก๊กเกงเก้อเก๋นเกินขึ้นไม่เป็นไรเราก็ผ่อนคลายเอาเองก็แล้วกันวางกายกายวางใจพอดีพดีกลางๆ ไม่เพง่งไม่จ้องรู้จุดตัวไปเราก็จะค่อยๆมีประสบการณ์ในการเดินทางมันก็จะเห็นรูปเห็นนามเห็นรูปโลกนามโลกรูปทุกนามทุกต่างๆพวกนี้นปรากฏขึ้นไหมเราได้เห็นลักษณะของรูปขันแลว้วกเวทนายสัญญาสังขารวิญญาณแสดงออกมามาได้เห็นกิเลสกรรมวิบากอุปทานพวกนี้มันเป็นยังไง กำลังส ต, ติกำลังตาไหนอย่าลืมหูลืมตามเหม็นตัวเรานะั่นแหละมันเป็นอาการต่างๆที่แสดงออกมากมายโดยที่เราอย่าไปต้องใส่ชื่อมันมันก็จะมีแล้วนะของทางเดินที่ทําให้เราเห็นแกนชีวิตมันมีกรอบในการเดินทางก็คือสบายๆผ่อนคลายกลางๆดูนะีปกติถ้ามันตึงไปเพ่งไปถ้ามันเผลอไปมันเป็นยังไง เพลนไปลืมเนื้อลืมตัวนะเราสังเกตเอาบางทีมันมีง่ว ง, ง, งมากมาขวางอันนี้เป็นละนะักษณะของพระโยคาวจรทุกคนที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็เดินทางจะต้องเจอตัวง่วงเหงาหานอนภูเขาลูกแรกเลยนะเป็นด่านกั้นจิตกั้นเลยไม่ให้บรรลุถึงคุณงามความดีชื่อว่านิวรธรรมนะเพราะนั น, ะปนปแปลว่ต้องง่วงต้องง่วงก็เพื่อที่จะได้เดินผ่านมัน จะต้องมีความคิดฟุ้งซ่านเพได้ผ่านมันความวังเลสงสัยให้การปฏิจจบัติเพื่อได้ผ่านมันเราก็ผ่านผ่านด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวแลเราก็เลยเหมือนกับว่าไม่เบื่อยิ่งมีอารมณ์ต่างๆปรากฏยิ่งท้าทายเหมือนกับงานยากมันก็ท้าทายคนเก่งคนฉลาดทํางานยาก มีบางคนนี่กลัวมากๆเลยนะมาอยู food, ่วัดอยู่วานะะมีพระบวชใหม่เคยมีสมมติบวชวันเนี้ยนะปรากฏว่าตอนคืนเนี่ยวิ่งมาจากหลังเขานั่นนะพปอยู่หลังเขาวิ่งมาพลุบพลับพลุบลบพลุบพบพวิ่งมาก็ไปเคาะกุฏิก็บวชใหม่ไม่รู้กุฏิไหนเป็นกุฏิไหนก็ไม่รู้แล้วเข้าไปเขตแม่ชีนะไปเคาะ ขอนอนด้วยขอนอนด้วยกลัวกลัวผีแม่ชีจะเปิดไหมนะ่ะกลัวผีแล้วก็วิ่งเพราะชีไม่เปิดวิ่งมาที่บ้านจันทรคำพนะบ้านสนหนึ่งนะนะพอดีช่วงนั้นอาตมาทํำไอ้สํานักงานอยู่กําลังกอ่อสร้างสํานักงานก็นอนอยู่ตรงด้านหลังสํานักงานมันมีสองห้องอยู่ ก็เค อ, อาจารย์กัพลอาจารย์กัพลบอกไปนอนอาจารย์สงสินนั่นกลัวผีถ้าเป็นโยมยจะไหวยังไงเนะี่ยดูใช่ไหมแต่ขอกุศแม่จีรมาบอกโอ้นี่ๆี่นี่นี่นแหละคนเก่งมันต้องเจออย่างนี้แหละคนเก่งไม่จะเจออย่างเงี้ยถ้าไม่เก่งไม่ได้เจอหรอกแล้วเจออย่างเงี้ยจะทําให้เราเก่งบางคนเนี่ยกลัวผีให้ไปอยู่โน่นแล้วบวชวันแรกกุศลสิบสามปรากฏว่าผีมา ในความคิดมันมีแต่ผีผีผีผีผีกลัว ผ, ผ, ผ, ผียกมือไปยกมือมาเนี่ยปรากฏว่าบวจะไม่ได้สึกเลยกระลังเดียวเนี้กลัวผีบางทีก็ผีมาอาความคิดเนี่ยออามารู้สึกตัวบางทีก็ผีมาเอามารู้สึกตัวท้ายสุดอา้าวไอ้ผีมันอยู่ในความคิดผีแต่ละตัวเนะ่ยเหมือนในหนังดังนั้นแหละตัวเคยดูมาแล้วดังนั้นเล ย, เอเ ย, เอเลยโอ้ความคิดเนี่ยนะ ในวัะนั้นเราก็เลยนะอาศัยอารมณ์พวกนี้ทำให้เราเก่งจึงไม่แปลกนะแต่เราทำไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆรู้ไปเลยอาจจะช้าสักหน่อยมันไขอารมณ์ผูผผผกๆแบบบวกๆบๆแบ บ, บ, บ น, นถือว่าจะทำให้เกิดการสังเกตได้ไว้เรารู้สึกตัวปั๊มก็จะปรับลงมาพอดีมันจะรู้สึกว่าเออไม่มีภาระ ก็เดินก้าเดียวเก้าเดียวเก้าเดียวน่ละรู้สึกตัวรู้สึกตัวไปเห็นนะอ่ะตอนนี้เห็นว่าพูดมาสมควรแก่เวลาก็เห็นว่ามันก็พอดีพอดีแล้วแลวะเดี๋ยวเรากระพราพร่ำกัน